All right. <laughs> ทำมันมีกันทำมันเธอแค่ต่ฉันก็รู้ฉันเฝ้ามองมันก็มีตาเธอทำมันเธอแค่ทำมอนยูแลเองฉันตายใจเธอคงรู้เพียงแค่เธอต้องดูแลตัวเธอเองคงทำใเทามีทำมันถูก แค่นี้พอฉันพอทีคนแสนยากเธอให่ไม่รู้ให่ไม่ดูให่ไม่แล เธอแค่์ไปฉันก็รู้ฉันโฝ้ามองดูมัน ทำมันทุกที่ไม่มีทางแก้ยอมเธอได้แค่นี้พอฉันพอที่คนที่แสนแย่คงทำได้เท่านี้ทำมันทุกที่ไม่มีทางแก้